45พรรษาของพระกุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกคลมหาสังฆปริณายกตอนสองพรรษาที่หนึ่งอิสิปตนะเมลิกทัยวรร แหวมืองพ ร, ราศีเมื่อก่อนพุทธปรินิพาน45ปีในวันเพ็ญพระจำสวยดาวเร่กชื่อว่าวิสาขาคือวันเพ็ญเดือนวิสาขา์เป็นเวสาขา์ในราตีวันเพ็ญ น, นั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมก่อนแต่ตรัสรู้เรียกว่าพระโพธิสัตว์แปลว่าผู้คล่องอยู่ในความรู้อันหมายความว่าไม่ทรงคล่องอยู่ในสิ่งอื่น คล้องอยู่แต่ในความรู้จึงทรงสแสวงหาความรู้จนได้ป ร, รัสรู้จึงเรียกว่าพุทธะที่แปลว่าผู้รู้หรือป ร, รัสรู้เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ที่ภายใต้ต้นไม้ชื่อว่าอัสถะต่อมาก็เรียกว่าต้นโพคำว่าโพธิแปลว่าป ร, รัสรู้เพราะพระพุทธเจ้า ไปประทับนั่งใต้ต้นไม้นั้นตรัสรู้จึงได้เรียกว่าต้นไม้ตรัสรู้เรียกเป็นศัพ์ว่าโพธิพฤกษ์แต่ชื่อของต้นไม้ชนิดนี้ว่าอัศทะที่ตรัสรู้นั้นอยู่ที่ใกล้ฝันแม่น้าในรัญชลาไม่ตํางลนุรุเวลาในมกทรัฐเมื่อตรัสรู้แล้วก็ได้ประทับนั่นสวยมมุติสุขในที่ต่าง ใกล้กับโพธิพฤกษ์นั้นอยู่หลายสัปดาห์ได้ทรงดําริ์ถึงพระธรรมที่ได้ตรัสรู้ว่าเป็นของที่ลูกลึกในชั้นแรกก็ทรงมีความขวนขวายน้อยว่าจะไม่ทรงแสดงธรรมนั้นเพราะเห็นว่าคนเป็นอันมากจะไม่เข้าใจแต่ก็ได้ทรงพิจารณาดูมูสัตเห็นว่ามูสัตนั้นมีต่างต่างกันผู้ที่จะตรัสรู้ได้ก็มีอยู่เทียกด้วยดอกบัวสามเหล่า ที่จะบานได้ผู้ที่ตรัสรู้ไม่ได้ก็มีอันเทียบด้วยดอกโวอีชนิดหนึ่งที่จมอยู่ก้นศักดิ์ไม่มีหวังจะบานและท่านแสดงว่าท้าสหัมมณีพรมได้มากราทรรูลอาราธนาทรงพิจารณาเห็นหมูสัตว์ดังกล่าวนั้นก็ทรงรับอาราธนาของพรมเรื่องนี้ก็ถอดความว่าได้เกิดพระกรุณาขึ้นแก่สัตว์โลกพระกรุณานั้นเอง ทำไม่ทรงตกลงพระหาฤทัยว่าจะทรงแสดงธรรมสอนภิกษุปัญจวคีเมื่อได้ตกลงพระหาฤทัยดังนี้ก็ได้ทรงธรรมสังขาราธิฏฐานคือตั้งพระหาฤทัยว่าจะทรงดํารงพระชนชีพอยู่จนกว่าจะประกาศพระพุทธศาสนาตั้งลงได้โดยมั่นคงมีพุทธบริษัทธสมบูรณ์ และได้ทรงพิจารณาถึงบุคคลที่จะทรงแสดงธรรมะสั่งสอนเป็นครั้งแรกได้ทรงระนึกถึงอาหารดาบทและอุททกดาบทซึ่งได้เคยเข้าไปศึกษาอยู่ในชั้นแรกแต่ก็ได้ทรงทราบว่าท่านทั้งสองนั้นถึงมรณภาพไปเสียแล้วต่อจากนั้นจึงได้ทรงระนึกถึงพิสุขห้าลูปอันเรียกว่าปัญจวคีแปลว่ามีพวกห้า ซึงได้มาคอยเฝ้าปฏิบัติพระองค์อยู่ในเวลาที่ทรงบำเพ็ญทุกขะกิริยาแต่ได้ทิ้งพระองค์ไปเสียเมื่อทรงเลิกทุกขะกิริยามาทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตทรงทราบว่าภิกษุ ป, ปัญจวคีเหล่านั้นได้ไปพักอยู่ที่ป่าอีสิปตนะมฤุทขายาวันแหวนกรุงพาราณสีจึงได้เสด็จออกจากบริเวณโพธิพุทธที่ตรัสรู้ในตําบลอุรุเวลา สเสด็จบายประพัไปสู่กรุงพารณสีเพื่อจ ะ, สะเสด็จไปอย่างตำบนที่ภิสุท์ทั้งค่านั้นพักอยู่ในตอนนี้พระอัฏฐกถาจารย์ได้สแสดงว่าได้สเสด็จออกจากตำบนออรุเวลาที่ตรัสรู้ในตอนเช้าของวันขึ้น14ค่ำเดือน8หน้าวันเข้าวันสาคือได้สเสด็จไปตอนเช้าของวันโกนและก็ได้สเสด็จถึงตำบน ที่พระภิกษุปัญจวัคคีย์พักอยู่คืออิสิปตนะมฤุกขายวันในตอนเย็นวันนั้นแต่ถ้าดูระยะทางตามแผนที่จากตําบลอุรุเวลาที่บัดนี้เรียกว่าพุทธคยาไปถึงป่าอิสิปตนะมฤุกขายวันที่บัดนี้เรียกสารานาศก็เป็นขนทางถึงร้อยมล์เศษในคมภีร์ชั้นบาลีไม่ได้กําหนดวันเป็นเพียงแต่ได้บอกว่า ได้เสด็จไปโดยลำดับเท่านั้นภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นมีชื่อว่าหนึ่งโกนทัญญะสองวัปปะสภพัทธิยะสมหานามะและหอัศชิโกนทัญญะเป็นหัวหน้าท่านโกนทัญญะผู้นี้ได้เป็นครามคนหนึ่งในจำนวนพรามหนึ่งแคนที่มาประชุทมทาบายพระสนะ เมื่อพระพุทธเจ้าได้ประสูทธแล้วห้าวันพราหมณ์เหล่านี้พากันทำนายว่าพระองค์จะมีกติเป็นสองคือถ้าอยู่ครองคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระราชาเอกในโลกแต่ถ้าออกทรงผนวชจะได้เป็นศาสดาเอกในโลกส่วนท่านโกธัญญาเป็นพราหมณ์หนุ่มที่สุดในหมู่พราหมณ์นั้นได้ทำนายไว้คติเดียวว่าจะเสด็จออกทรงผนวช และจะได้เป็นศาสดาเอกในโลกเพราะฉะนั้นจึงได้คอยฟังข่าวพระโพธิสัตว์อยู่เสมอจนเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จออกทรงขนวดนท่านโกนทัญญักษ์ก็ได้ชักชวนหมดของพราหมณ์ที่มาประชุรรมทำนายพระสนับในคราวนั้นได้อีกสี่คนรวมกันเป็นห้าคนออกบวชคอยติดตามพระพุทธเจ้าและเมื่อพระพุทธเจ้าได้ไปทรงบาเพ็ญทุกรกกิริยา ก็เป็นที่สพอัธยาศัยของท่านทั้งข้านั้นซึ่งนิยมในทางนั้นก็พากันไปคอยเฝ้าปฏิบัติครั้นพระองค์ได้ทรงเลิกลาเสียแล้วท่านทั้งข้านั้นก็เห็นว่าพระองค์ได้ทรงเวียนมาเป็นผู้มากๆจะไม่สามารถตัตรูพระธรรมได้ก็พากันหลีกไปพักอยู่ในตําบลอิสิ ป, ปัตนะมฤทัยวันนั้นเมื่อพิโส ป, ปัญจวคีได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกล ก็นัดหมายกันไม่ให้ลุกต้อนรับไม่ให้ทำการอภิวาทแต่ให้ปูอัสนะไว้ถ้าทรงประสงค์จะนั่งก็นั่งแต่ถ้าไม่ทรงประสงค์ก็แล้วไปแต่ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเข้าต่างก็ลืมกันติกาที่ตั้งกันไว้พากันลุกขึ้นรับและอภิวาทกราบไหว้และนําน้ําล้างพระบาทต่างรองพระบาทผ้าเช็ดพระบาทมาคอยปฏิบัติพระพุทธเจ้า ได้เสด็จประทับบนอาสนะส่งล้างพระบาทแล้วพวกภิกษุปัญจวคีร์ก็พากันเรียกพระองค์ด้วยด้วยคําตีเสมอคือเรียกพระองค์ว่าอาวุโสที่แปลว่าผู้มีอายุหรือแปลกันอย่างภาษาไทยว่าคุณพระพุทธเจ้าก็ตรัสถ้าและได้กลัสว่าต ถ, ถาคตมาก็เพื่อจะแสดงอมตรธรรมให้ท่านทั้งหลายฟัง เมื่อท่านทั้งหลายตั้งใจฟังและปฏิบัติโดยชอบก็จะเกิดความรู้จนถึงที่สุดทุกได้ภิกษุปัญจวัคคีย์กราบทูลคัดค้านว่าเมื่อทรงบำเพ็ญทุกรกิริยายังไม่ได้ตัดสรู้เมื่อทรงเลิกเสียจะตัดสรู้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสยืนยันเช่นนั้นและพวกภิกษุปัญจวัคคีย์ก็คงคัดค้านเช่นนั้นถึงสามครั้ง พระพุทธเจ้าจึงตรัสให้ระลึกว่าแต่ก่อนนี้พระองค์ได้เคยตรัสพระวาจาเช่นนี้หรือไม่พวกพิสุปัญจวะคีก็ระลึกขึ้นได้ว่าพระองค์ไม่เคยตรัสพระวาจาเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ยินยอมเพื่อจะฟังธรรมพระพุทธเจ้าเมื่อทรงเห็นว่าพวกพิสุปัญจาวะคีพากันตั้งใจเพื่อจะฟังพระธรรมของพระองค์แล้วจึงได้ทรงสแสดง ปฐ ม, มเทศนาคือเทศนาที่แรกโปรดภิกษุปัญจวคีท่านแสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐ ม, มเทศนานี้ในวันรุ่งขึ้นจากที่เสด็จไปถึงคือได้ทรงแสดงในวันเพ็ญของเดือนอาสาฬหะหรือเดือน8หน้าวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่ได้ประกอบพิธีอาสาฬหบูชา ดังที่ได้กำหนดตั้งขึ้นเป็นวันมูชาวันหนึ่งปฐมมทศนารรมจักกัปวัตตนสูตรปฐมมทศานานี้เป็นเทศครั้งแรกที่มีความสำคัญพระพุทธเจ้าในทรงแสดงฐานที่พระองค์ทรงปฏิบัติในทรงแสดงธรรมะที่ได้ตรัสรู้ในทรงแสดงญาณคือความรู้ของพระองค์ที่เกิดขึ้นในธรรมะนั้นถ้าจะตั้งปัญหาว่า พระพุทธเจ้าทรงดําเนินทางปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้ตดรัสรู้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยความรู้ที่มีลักษณะอย่างไรปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะตอบได้ด้วยพระสูตรนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นพระสูตรที่ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาจะละเสียมิได้คุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจใจความปฐมเทศนานี้ ตอนที่หนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ทางที่บรรพชิตคือนักบวชซึ่งมุ่งความหมายมุ่งความสิ้นราคะคือความติดความยินดีมุ่งความตรัสรู้มุ่งพระนิพพานไม่ควรจะส่องเศษอันได้แก่ความสุ ข, ขันลิกานุโยกความประกอบตนด้วยความสุขสดชื่นอยู่ในทางกรรมและอัตติละมัทฐานุโยค ความประกอบการทรมานตนให้ลำบากเดือดร้อนเปล่าเพราะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นของต่ำสามที่เป็นกิจของชาวบ้านที่เป็นของปุถุชนนิใช่เป็นกิจของบรญชาชิตผู้มุ่งผลเช่นนั้นส่วนอีกขนทางหนึ่งซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเป็นขนทางกลางอยู่ในระหว่างทางทั้งสองนั้นแต่ว่าไม่ข้องแวะอยู่ในทางทั้งสองนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ให้เกิดจักสุก คือดวงตาเห็นธรรมจะทำให้เกิดญาณคือความอย่างรู้ทำให้เกิดความสงบระงับทำให้เกิดความรอบรู้ทำให้เกิดความดนับกิเลสอันได้แก่ทางที่มีองค์ประกอบแปดประการอันเป็นของประเสริฐได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความนัมริกชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบ สัมมากรรมปันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบตอนที่สองได้ทรงแสดงธรรมะที่ได้ตรัสรู้เมื่อละทางทั้งสองท่านต้นและมาเดินอยู่ในทางที่เป็นมัชิมาปฏิปทาคือข้อปฏิปต์เป็นทางกลาง ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งแปดนั้นอันได้แก่อริยสัจสี่คำว่าอริยสัจแปลว่าความจริงของบุคคลผู้ประเสริฐก็ได้แปลว่าความจริงที่ทําให้บุคคลเป็นคนประเสริฐก็ได้อริยสัจสี่นี้ได้แก่หนึ่งทุกข์ในพระสูตรนี้ได้ชี้ว่าอะไรเป็นทุก์ไว้ด้วยคือชี้ว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุก ความตายเป็นทุกข์ความโศกคือแห้งใจปริเทวะคือคร่ำครวญรนโจนใจทุกขะคือทุกกายเช่นป่วยไข้โทวมรัสสะคือทุกข์ใจอุปายาสะคือคับแคลนใจเป็นทุกข์อปิยะสัมปโยคความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ปิยะวิปโยคความพระราดจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันที่ยึดถือไว้ตั้งห้าประการเป็นทุกข์ 2. ทุกขะสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกขในพระสูตรได้ทรงชี้ว่าตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากของใจอันมีลักษณะให้ซัดสายไปสู่พบคือภาวะใหม่เสมอไปด้วยกันกับนันทิความเคลื่อเปลินราคะ ความติดความยินดีมีความเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นมีสคือการตัณหาความดิ้นรนพยานอยากไปในกามคือได้แก่สิ่งที่น่ารักใกล้ปรารถนาพอใจภาวะตัณหาความดิ้นรนพยานอยากไปในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่วิภาวะตัณหาความดิ้นรนพยานอยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ สทุกขนิโรธความดับทุกข์ในพระสูตรได้ทรงชี้ว่าคือดับตันหาเสียได้หมดสลัดตันหาเสียได้หมดปล่อยคืนตันหาเสียได้หมดพ้นตันหาเสียได้หมดไม่อะไรพัวพันอยู่ในตันหาทั้งหมดสทุกขานิโรธคาถามิตีปฏิปทานหรือสั้นๆว่ามักได้แก่มักอนิองแปะประการ ดังกล่าวข้างต้นนั้นตอนที่สามพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงว่าที่เรียกว่าตรัสรู้นั้นคือต้องเป็นรู้ที่มีลักษณะอย่างไรรู้ที่เรียกว่าเอตตรัสรู้นั้นต้องมีลักษณะดังนี้คือเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นทุกข์เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรกําหนิดรู้เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าทุกข์นี้ ได้กําหนดรู้แล้วเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าสมุทัยนี้ควรละเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าสมุทัยนี้ละได้แล้วเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นนิโรธความดับทุกข์เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านิโรดนี้ควรกระทําให้แจ้งเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านิโรดนี้ได้ทําให้แจ้งแล้ว เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นมักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าทางปฏิบัติให้ถึงค ว, ความดับทุกนี้ควรอบรมให้มีขึ้นเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนี้ได้อบรมให้มีขึ้นได้รบริบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นญาณคือความรู้จะเรียกว่าปรัตตรู้ต้องประกอบด้วยลักษณะเป็นสัตยาณ คือความรู้ในความจริงว่านี่เป็นความทุกจริงนี่เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกจริงนี่เป็นนิโรธคือความดับทุกจริงนี่เป็นมัรคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกจริงส่วนหนึ่งต้องเป็นกิจจญาณความรู้ในกิจคือหน้าที่คือรู้ว่าหน้าที่จะต้องปฏิบัติในทุกก็ได้แก่กาหนดรู้ในสมุทัยก็ได้แก่ต้องละ ไม่นิโรธก็ได้แก่การทำให้แจ้งในมักก็ได้แก่ต้องปฏิบัติอบรมส่วนหนึ่งต้องเป็นกตยานคือความรู้ในการทำกิจเสร็จคือรู้ว่าทุกก็ได้กำหนดเสร็จแล้วสมุทัยก็ละเสร็จแล้วนิโรธก็ได้ทำให้แจ้งแล้วมักก็ได้ปฏิบัติอบรมให้บีขึ้นแล้วส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่พระสูตรตึงแสดงว่า ความตับทรู้ของพระรุจเจ้านั้นเป็นญาณคือความอย่างรู้ที่มีวนรอบสามมีอาการสิบสองมีวนรอบสามก็คือว่าต้องรู้ในอริยสัจทั้งสนั้นโดยเป็นสัตตญานคือความรู้ในความจริงรอบหนึนต้องรู้ในอริยสัจทั้งสี่โดยเป็นกิตตญาณคือต้องรู้ในกิจอันได้แก่หน้าที่รอบหนึ่งต้องรู้ในอริยสัจ4ี่นั้น โดยการเป็นกัตยานคือความรู้ในการทํำกิจเสร็จรอบหนึ่ง 3. าคูณ4เป็น12คือว่ามีอาการ12เมื่อเป็นความรู้ที่วนรอบสามีอาการ12ดังกล่าวนี้จึงเรียกว่าเป็นความตรัสรู้และท่านผู้ที่ได้มีความรู้ดังกล่าวนี้จึงเรียกว่าเป็นพุท ธ, ธะคือเป็นผู้ตรัสรู้ ถ้าจะเรียกปัญญาของท่านก็เป็นโพธิที่แปลว่าความตัสรู้โราฉนักใจความในพระสูตรที่กล่าวมานี้จึงเป็นการตอบปัญหาได้ทั้งสามข้อปัญหาว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินทางปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้ตรัสรู้ก็ตอบได้ด้วยตอนที่1่ปัญหาว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรก็ตอบได้ด้วยตอนที่สอง ปัญหาว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยความรู้ที่มีลักษณะาอาการอย่างไรก็ตอบได้ด้วยตอนที่สามฉะนั้นในท้ายพระสูตรพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศว่าเมื่อความรู้ที่มีวนรอบสามมีอาการสิองดังกล่าวนี้ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ตราบใดก็ยังไม่ทรงปฏิญญาพระองค์ว่าเป็นผู้ตรัสรู้ ตอยาดดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นบริสุทธิ์บริบูรณ์พระองค์จึงปฏิญญาพระองค์ว่าเป็นพุท ธ, ธะคือเป็นผู้ตรัสรู้และเรียกว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองก็เพราะว่าความรู้ของพระองค์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นในธรรมะคือในความจริงที่ไร่ได้ทรงเคยสะดับฟังมาจากใครไมร่ได้ทรงเรียนมาจากใครเมื่อพิจารณาตามพระสูตร แนวทางปฏิบัติของพระองค์พระองค์ก็ทรงพบขึ้นเองเพราะได้ทรงละทางปฏิบัติของขณาจารย์ต่างๆมาโดยลำดับจนมาถึงทรงค้นหาทางปฏิบัติด้วยพระองค์เองและทรงพบทางที่เป็นมัชิมาปฏิปทาและทรงดำเนินไปในทางนั้นเมือ่อทรงดาเนินไปในทางนั้นจนบริบูแล้วก็เกิด ญ, ญาณคือความอยางรู้ขึ้นในธรรมะคือความจริงอันได้แก่ อริยสัตว์สี่ซึ่งว่าในเคยทรงตรัสดักระจากใครความรู้นั้นผุดขึ้นมาเองอันเป็นผลของการปฏิบัติที่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้เองไม่มีครูไม่มีอาจารย์หมายถึงว่าทรงมีความรู้ดังที่แสดงไว้ในพระสูตรดังกล่าวนั่นแหลเมื่อได้เล่าเรื่องพระพุทธเจ้ า, าเสด็จไปทรงแสด ง, สดงปฐ ม, มเทศนา โปรดพิสูจปัญจวขคีที่อิสิปัตนะมรุทธายวันกรุงพาราสีในแคว้นกาสีและเมื่อได้เล่าความแห่งปฐมเทศนานั้นโดยย่อต่อไปนี้จะเล่าเรื่องประกอบก่อนโปรดติดตาม45รรษาของพระพุทธเจ้าในตอนต่อไป